โอ้ oh. ل َ ا ت َ ط ِ ق ُ อัลลอฮฺอ ال ัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลาฮฺอัลาบิลลาฮฺอัิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลอาบิลาฮฺอัลอาลลาฮฺอัลอาบิลลาฮฺอัลออััอบฮาล Allahumma bika asbahna wa b َ k a a m z a i n َ wa b i k و nahiya wa bika namutu wa ilaika nushur. أعوذ بِكَ لِمَاتِ الْلاَهِ تَمَاتِ مِن شَرِّمَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ ش َ ي ْ ئ ُ م فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ء و الس َ وَسَمِيعُ الْعَلِيمُ ر ่ดิท الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول ا, وب ال إ, وب الر إ, أ ل ل ه م إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ا ل ل ه م ع ا ف ن ي في بدني و ا ف ن ي في سمي و ا ف ن ي في بصر سبحان الله وبحمده عدد خلقه วรร نفسه วิญญาต์อาหริ د ห์แ ل ะมิดาดคำ ي ัติเขายาเฮีย أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في น้องที่ร่วมนมัสการที่มัสยิดอดวาริุนนะที่คอนกรีตนะครับ และพี่น้องที่นั่งฟังทับซียอัลกุรอานที่อยู่ที่บ้านของท่านนะครับอาจจะคดุลีลาดูความเมตาของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาละที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความสามารถของเราเองนะครับพี่น้องเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดนะครับแล้วก็ให้เรามีชีวิตอยู่ตัวนี้เป้าหมายเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่นะเพื่อทําอะไร เราต้องคุยกันบ่อยๆเนอะเน้นๆกันเตือนกันเพราะว่าเป้าหมายใหญ่ก็คือว่ามาคอรักตุลยินนะวะอินซะอิลล์ลิยาบูดูนอัลลอฮ์บอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดอิลลาเว้นแต่ลิยาบูดูนเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้อ่าแสดงตัวเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์นะครับพักดีต่ออัลล์ สุยูดกราบต่ออัลลอ์ในทุกๆเรื่องไม่ใช่กราบอย่างเดียวนะครับทุกๆเรื่องที่อัลลอ์สั่งเนี่ยเราต้องพยายามเรียนให้รู้แล้วก็นำเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติเป็นชีวิตประจำวันนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่รับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็อย่าลืมนึกถึงอัลลอ์ด้วยให้ขอบคุณอัลลอฮ์ซะกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฏีอัพยานา บ่อาจะมาอามาตนาไว้ละหินโอชูดมันมีอยู่ศัพย์อยู่คำหนึ่งอามาตนาให้เราตายนี่เตือนน่ะตอนไห น, นตอนนอนกลางคืนน่ะให้เราหลับไปเนี่ยแต่ภาษาที่นบีพูดอามาตนาะให้เราให้เราตายแสงว่าตายเนี่ยนอนบนที่นอนเขาเรียกว่าตายเล็กแล้วก็ตายใหญ่มีอีกทีงี้嘛 ถึงอายัญเนี่ยนั่นแหะทำไมต้องเตือนแบบนั้นล่ะเพราะว่าชีวิตหลังตายเป็นชีวิตที่คือถ้าเป็นคนดีมีศาสนาเนี่ยตายสบายแต่ถ้าหาว่าใครที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยไม่นําพาหลักการของศาสนาเนี่ยมาใชา้คือความรู้ที่ผ่านนบีเนี่ยที่ท่านนบีมาสอนเนี่ยนะเราไม่เอาอ่ะเอาแต่อารมณ์ตัวเองความคิดตัวเองความรู้ตัวเอง นะครับไม่ได้เอาความรู้ที่ผ่านนบีนี่นะตายลำบากครับถึงได้เตือนเรื่องเรื่องตายทุกวันผมจะคุยเรื่องตายนิดหนึ่งนะตายให้สบายไงตายยังไงก็เป็นอย่างนี้ใครก็ตามที่ตั้งพาคีกับอัลลอ์แล้วก็ปฏิเสธอัลลอ์ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธว่าไม่มีวันเกียรม ปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟื้นเนี่ยนะเนี่ยนะครับตายแล้วไม่ฟื้นทั้งหมดเหล่านี้นะเขาเรียกว่าตายในสภาพเป็นคนมุสริกเป็นคนกาเฟทถ้าตายในสภาพเป็นคนกาเฟทเนี่ยมีโทษเนี่ยประมาณแปดอย่างหนักนี่แปดอย่างนี่เอาเรื่องเลือกมานะยิงยางอย่างที่หนึ่งมะรีการาก์านี่นะครับจะมาขู่ มาขูคขูตอนมาขูที่วิญญาณของคนที่จะตายไหนพี่น้องครู่ว่าไงหเลยไหมมอบวิญญาณมาสิอมาบอกเอาเอวิญญาณออกมายะโดดีบูนาวูยูฮาฮุมวาอาเดบาราหุมมาเลย์กามาคูนะพอวิญญาณออกมาเนี่ยมาเลาย์กะจะตบที่ใบหน้าแล้วก็ตบที่กลางหลังของคนของวิญญาณของคนตาย นี่อัลมาไลกาอัลลอฮลาห์นะครับเนคุณอ่า น, นออาเลยเรื่องจริงทั้งหมดนี่ตายอยู่สภาพาที่ไม่มีไมีมไมมาศาสนาเรื่องที่สองนะครับพี่น้องอีตอนแบกอ่ะอีลาไอนยัาฮาบูนับิฮาตอนแบกใส่ลงอ่ะจะพาฉันไปไหนพาฉันไปไหนพาไปไหนตะโกนเสียงดังนี่นบีสอนเองนะทุสิ่งทุอย่างได้ยินหมดยกเว้นคน ยินไม่ได้ยินนอกนั้นได้ยินหมดน่ะได้ยินเสียงเสียงตะโกนว่าพาไปไหนพาไปไหนพาไปไหนเรื่องที่สามนะครับพี่น้องเวลามาลายกามาอาตรงตรงจำมาชื่อมล า, ายิกาด้วยนะมาลายิกาสององค์ที่มา ท, ท, ที่ที่กูโบน่ะชื่ออะไรมุงการกับนาคิลจําจําตรงนี้ มาเลก้ายังอือนรอดไม่ได้เล่าว่ะมาเลก้านาฝนมากว่าไม่ได้เล่าว่าชื่ออะไรใช่ไหมมาเลก้าอะไรต่อะไรก็ไม่ได้เล่าแต่เล่าว่ามาเลก้าที่จะมาหามาสอบสวนเราที่กุบด์น่ะชื่อเลยนะนักกิตกมุกัตพอสอบแล้วไม่ผ่านก็มันไม่ผ่านอยู่แล้วนน้องครับสอบแล้วไม่ผ่านเป็นยังไงครับ ตอบนะมันรบบุกามันนบีอยู่กับมันอิมามกาสผ่านหรืไม่ผ่านไม่ผ่านครับคนตายจะตอบว่าอย่างนี้ละอัเดรีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้รจักอัลลอฮ์ละอัเดรีฉันไม่รู้จักนบี ม, ม, มุฮัมมัดละอัดรีฉันไม่รู้จักกุรอานนู่นไปตอบวุ่ในกูโบว์ในเบนอคนในเบนอศาสานาหนะแล้วก็เหลือนะนบีก็เล่าเองนะไม่รู้วัน คอนนักกีปอนรอไม่ใจไม้หน้าสามเนี่ยซัดลงไปอ่ะธรมาเนี่ยอยู่ในกุโบน่ะพอต่อวลาอัดเดรีละอัดเดรีละอัดเดรีเมเลกาก็ถามต่ออีกทําไมไม่เรียนทําไมไม่อ่านอลาดอรอยตั๊วลาตลาะไรตั๊ทำไมคุณไม่อ่านอ่ะอ่านหนังสือทุกเล่มในโลกนะอ่านเกือบหมดแล้นะยกเว้นคำพีโกนอ่านฉันไม่อ่านอนะ่ะ ความไม่อ้างก็ถูกลงโทษนะในวันนะั้นในในกูโบเรื่องที่สามนะครับเป็นนะเ ร, เรื่องที่สี่สิเรนะืเอ่องเรื่องที่ห้าเลยดสินะเออเรื่องที่ห้าก็คือลาตอพิมิสาคนคนนอนที่ไม่เอาศาสนาอยู่ในกุโบเนี่ยพูดว่าอย่าให้เกิดวันเกียร์มาเลยอยู่ในสภาพอยู่ในใต้ดินนี่แหละดีที่สุดแล้วพราออร้อยให้เห็นนะ่ะ พอฟุ้นขึ้นมาเนี่ยเจอโอโอะไ ร, ต, รต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะเจ็ดปรายการแต่ทุ่งมาชานันน่ะเราจะอย่าให้ว่ามีวันกี่ย่างมาเลยลาตากิมิสอาลาตากิมิสอาข้อที่หรูบามายาวัดุลลาีนักฟารูแลวกานูมุสลิมีข้อที่หกน่ะคนที่นอนอยู่ในกูโบที่ไม่เอาศาสนาจะพูดว่าอย่างงี้ อัลลอฮจะอยากเป็นมุสลิมจังเลยแล้วการูมุสลิมบ่อยครั้งเหลือเกินที่คนที่เอาไม่เอาศาสนานอนอยู่ในสุสาบนบ่นว่าอยากจะเป็นมุสลิมอยากจะเป็นอะไรนะ่ะนับถืออัลลอฮอยากจะทับถืออัอิสลามยากนึกไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งบ่อยครั้งเหลือเกินที่พูดเป็นแบบนี้ แล้วก็ต่อมาข้อที่เจ็ดนะครับโยอาซีบ um ูนักูบูราหุมนอนจนในสุสานถูกลงโทษด้วยนะไม่ใช่นอนเฉยๆนะถูกลงโทษอธิบายยังไงเป็นนอนเคยนอนฝันไม่หล่ะนั่นแหละเหมือนกันฝันไม่ดีเนี่ยก็เหมือนเหมือนของจริงอัลลอฮฺท่านวนี่ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดนะครับอัลลอฮจะให้เห็นนรก ให้เห็นการลงโทษในนรกอลัลลอฮ์แล้วก็การทรมานในให้เห็นนะเป็นเห็นภาพเลยนะพี่น้องเนี่ยแปดรายการนั่นคนที่ไม่เอาศาสนาพี่น้องที่เนี่ยเราตึงเชิญชวนกันว่ามาเรียนศาสนากันเถอะมาฟังศาสนากันเถอะปฏิบัติตามที่อลัลลอฮ์ราสูลสั่งกันเถอะเอามาดูคนที่มีอิมานแล้วตายเป็นยังไงบ้างก็มีแปดข้อเหมือนกันนะครับจํำง่ายๆข้อที่หนึ่ง มาลก์ามาปลอบใจที่วิญญาณก่อนจะตายว่าลาตาคอฟูลาตาฮาจนูว่าอับดลซิรูเบลจันนติละติกุนตุมตูอาดูไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปกังวลเป็นห่วงเรื่องข้างหลังแล้วก็คุณได้ไปสวรรค์คุณแจ้งข่าวดีคุณได้ไปสวรรค์แน่เนี่ยมาพูดมาเลก์กามาพูดก่อนตายดีแนละไม่ดีอัลโหลรักบั ถามวิญญาณอยากออกไหมน่ะวิญญาณก็ออกง่ายนบีว่าวิญญาณของคนศรัทธาต่อลเราเนี่ยออกง่ายเหมือนกับน้ําที่อยู่ในแก้วเนี่ยเทออกมาออกปึ๊บง่ายแล้วก็หน้าตาสดใสคนคนที่เป็นมุมินนะนะมีศาสนาแต่ตัวเงินข้ามคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยหน้าตาบูดบิ้วเอาแล้วก็เรื่องที่สองก็ดีมูนีตอนใส่ลงเนี่ย ต่ไม่พูดว่าไงรีบพาฉันไปไวๆตงกันข้างกว่าคนที่มีศาสนาพาไปไหนไอ้นี่รีบพาฉันไปไวๆอลัลลอฮเป็นเรื่องที่สามนะครับตอบคำถามในกูโบได้จำชื่อใครมาท ใ, ใครมาสอบเรามูงัตกับนากีอลัออลออลออักุบพอตอบได้เนี่เป็นยังไงอลัออลลอฮอักบดฮามดุลิลลาคุยกับมัิกาได้ด้วย มีอยู่ฮะดิษหนึ่งอธิบายอย่างนี้อย่าเพิ่งมาสอบฉันฉันขอ น, นามาตก่อนเพราะว่าตอนที่มาลาอิกามาหาเราในกูโบน่ะมันเป็นเวลาใกล้จะหมดเวลาอัสรีแล้วก็จะเข้ามะริบเป็นเวลาที่ทุกคนคิดถึงบ้านแต่คนที่เป็นมุมินน่ะคิดถึงนามาตอยู่บนดุญจานเนี่ยคิดถึงบ้านคิดถึงมา้า ค, คิดถึง เ, เด็กๆมันจะร้องไห้ตอนสี่โมงห้าโมงอ่ะคิดถึงมากคผมรประสบการณ์ชีวิตผมเยอะจังนี้ <c ười> คนที่เป็นมุมินนะครับตอนที่มาลีกามาถามเนี่ยมีความรู้สึกเป็นห่วงอยากจะนมาอ่ะลีกาไม่ต้องนมาดฉันจะนมาด ร, รอก่อนได้ไหมนี่คุยกับมาลิกาแบบเป็นเป็นกันเองเลยทำลนเรื่องละเอาต่อมาข้อที่ห้าอักติมิสซาเราจะให้มีวันเกียวมากไวๆเถอะ เพราะรางวัลที่อัลลอ์ให้เห็นน่มันยิ่งใหญ่กว่านอนอยู่ในกุโบต่อมาข้อที่ข้อที่ ข, ข้อที่หกนะครับพูดว่า oh! อย่างนี้ย่าไลตะเกาหียาเลมูนบีมาโควาโรลีรับบีวาจาเลนีมินัลมุครามินนี่คนที่เป็นมุมลิมคนเป็นมุสลิมนอนอยู่ในกุโบบอกอัลลอ์ว่าฉันจะกลับมาเยี่ยมบ้านหน่อยได้ไหม จะมาเล่าให้คนที่บ้านฟังหรือว่าญาติพี่น้องของฉันที่ไม่เอ า, าศาสนาเนี่ยพ่อฉันเนี่ยอยู่สบายอัลลอฮฺอภัยโทษในความผิดของฉันหมดแลว้วอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้เกียรติยกย่องฉันนัสรายาซีนจะมาเนี่ยญาณีสุรานียแต่เราเองนอนสบายสบายมันกล้เน่งนอนสบายสบายไม่ใช่หน้าที่ของคนตายจะฟื้นมาเล่าว่าอยู่ในกุโบเป็นยังไงไม่ใช่หน้าที่ของคุณ หน้าที่ของใครของนบีหมัมหมัดเขาสอนนะรกรบเพีงกรอ่านแล้วไปอ่านเราเองต่อมาข้อที่7นะครับลาอยูอาเลบูนะฟิลกอบรีขณะที่นอนอยู่ในกุโบนั้นไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกลงโทษอะไรทั้งสิ้นมาลข้อที่8ดนะครับเขาเนี่ยเห็นสวรรค์ทุกวันเลยวันละสองครั้งสองครั้งเห็นสวรรค์และที่อยู่ในสวรรค์นี่ภาพของผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ก่อนที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์สนึกตัว แล้วก็เรียนศาสนาหันมาฟังศาสนาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองในความผิดทุกองได้ทําไว้อทมดูเร็ววันนี้มาอายาที่เกสิบนะครับเราในกําลังอยู่ในเรื่องของนบีอะไรนบีอิบรอฮีมัลฮิสซลามเป็ น, น้องต้องนึกว่านาบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนนบีที่สําคัญคนหนึ่งนะที่งานของท่านเนี่ยใหญ่มากเลย แต่ละงานแต่ละงานเนี่ยเลาชมหมดเลยว่าเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอายาที่90ต้องการจะอธิบายบอกว่าฟาตาวัลลาอันฮูมูดบิรินฟาตะวัลลาอันฮูมูดบิรินฟาตาวัลลาตาวัลลาแปลว่าหันหลังหันหลัง คือพ่อของนบีบรอฮีมชวนอิบรอฮีมให้ออกไปงานแสดงงานประจําปีใช่ไหมงานงานงานงานอะไรงานร่าเริงสนุกสนานเนี่ยเขามีกันทุกยุคทุกสมัยแหละใช่ไหมแต่ในกลุ่มมุสลิมเนี่ยงานร่าเริงไม่เคยมีงานเต้นรำํำใช่ไหมอย่างที่เขาใหญ่จะเขไปกันใช่ไหมอไรๆงานของคนที่ไม่ใช่มุสลิม ของมุสลิมนี่ย่งมีงานจฉลิงานแสวีสวงหาแหล่งเงินเดือนค่ะครูสอนศาสนาเด็กสอนอะไรอย่างเมื่อวานนี่เนล่ยเราไปกันที่ไหนนะที่เขาใหญ่เที่ยงเนะ่ยมาผมไปบรรยายที่ดรอนัสเนี่ยมาตยากุลก็มาขอดูอากันมามาบริจาค ก, กันช่วยเหลือกันดูแลเด็กกัผมกำพร้ากาฟิซขุลานก็ช่วยกันเนปะ็นน้องครับแต่งงานของมุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานดี แต่งงานของคนกาเฟรเนสรมยาจะมุ่งถึงดนตรีเพลงกันหมดเลยนะเอาอาธิบายให้มันชัดๆว่าอยู่คนละฟากนะบนดุนยานี้นะครับอยู่คนละฟากจริงๆทีนี้พ่อเนี่ยชวนอิบราฮีมแล้วก็ญาติพี่น้องก็าบอกอิบราฮีมไปด้กันไหมไปงานประจำปีที่อยู่ข้างนอกนอกเมืองอเพื่อมบนไม่ไปฉั น, ฉ, นฉันป่วยจากยูซุปมายูสุปสุราบอกว่านะ ที่ป่วยนะ่ะป่วยใจภาษานี้ดีนะป่วยใจในตัปสีอธิบายว่า น, นอนด้วยฉันนอนอยู่ฉันไม่สบายฉันไปไม่ไหวใช่ไหมี่ป่วยใจนะครับพอย่าพี่น้องเขาหันหลังให้เนี่ยุฟาตาวาลาอันหูดังนั้นพวกเขาชาวเมืองหรือกลุ่มชนของพวกเขาหันหลังให้กับอันหู่หูมาถึงอิบรอฮีมเมื่อหันหลังให้กับอิบรอฮีม บอกอิบรอฮิมอยู่คนเดียวสิจำไหมในหมู่บ้านเนี่ยมุดเดเบรินหันหลังกลับไปมุดวิบว่าหันหลังกลับหมายถึงว่าหันหลังทิ้งอิบรอฮิมเหลือคนเดียวและญาติพี่น้องเนี่ยไปออกงานกันหมดเลยเหลือกี่ก้อนคนเดียวอลัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยนะนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดว่าอยู่ทีอลัลลอฮ์นะขนาดญาติพี่น้องพ่อชวนลูกไปไปงานลูกไม่ไปเรายังเล่านะกะเพรา เพื่อะไรมนาะเพื่อจะรู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์รู้เห็นทั้งหมดอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดตกจะอธิบายว่าขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆชวนอิบราฮิมออกไปงานกันไหมอิบราฮิมโบฉันไม่ไป ฉ, ฉันป่วยก็เล่าให้ฟังอกีกพอเขาหันหลังไปกันหมดแล้วท่านทาไงรู้ไหม ฟราห์อิล่าอาลีฮ์ทิหิมฟะควาลูฟะควาล่าอาลาตะคุลَนฟราห์อิล่าฟราห์อิล่าอาลีฮ์ทิหิมฟะควาล่าอาลาตะคุลูนฟะตะวَ ن ْ ه ُ م ُ د ْหِมุดบَ م ُ د มุดบِร ن َ م َว่า หันหลังนะแต่ว่าเราไปว่าหันหลังมุดเบรีนบอกว่ามุดบิดบอกว่าหลังแต่ว่าเราไปว่าหันมุดบิดบอกว่าข้างหลังพอให้อิบรอฮีมเหลือเหลือคนเดียวไอ้คําว่าหันหลังเนี่ยในตัฟฟิในในคัอักุรอานพูดไว้หลายหลายครั้งนะหันหลังให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันไม่บาปหรอกแต่ถ้าหันหลังให้กับศาสนา บาเลยไหมแบบเนี่ยอะไรต้อตงการจะเตือนนะงัเขาว่ามุดบีรีเนี่ยเราหันหลังให้เนี่ยหันหลังให้ให้กับสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยนะเขากำลังนั่งนินทากันอยู่เราหันหลังให้ฉันไม่อยากจะฟังคนนินทาไม่อยากจะฟังเรื่องไร้สาระไม่อยากจะฟังการเล่นดนตรีไม่อยากจะฟังเสียงเพลงหันหลังแบบนี้ดีเลยไม่ ด, มดีอันนี้มีรางวัลแต่ถ้าหันหลังให้กับ คำสอนของอิสลามที่ผ่านอัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดผ่านยิบรีน้นหันหลังให้กับนบีมุฮัมมัดหันหลังให้กับอัลกุรอานหันหลังให้กับนมาดบาปหรือไม่บาปบาปมากนี่ต้องการจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจง่ายๆว่าหันหลังอะไรที่มีผ ล, ลบุญและหันหลังอะไรไม่มีผ ล, ลบุญหันหลังให้อิสลามเนี่ยโอ้โหบาปเจอะเลย หันหลังให้เรื่องชั่วชวดีได้ไม่ดีดีนี่กณอ่านเตือนเรานะ่ะคาว่าหันหลังอย่างเดียวนี่นะฟาตวลลาวะลาฮ์อันูมุดบรินหันหลังให้อิบราฮีมอยู่ใ่บ้านคนเดียวบาปเนไม่บาปไม่บาบแต่ที่อิบราฮิมเป็นห่วงนะ่ะคือท่านต้องการจะขจัดจวเจว็ตใช่ไหมอ่ะพอพอญาติพี่น้องออกไปแล้วฝ่ร อ, ออิลลัลลิฮะตีหิมรออเนี่ย แปลว่าร อ, รอกอีลาเนี่ยแปลว่าออกไปออกไปนะอิลายัางอาลีฮาติฮิมเจวิต่างๆของพวกเขาเมื่อญาติพี่น้องของเขาเนี่ยทิ้งอิบรอฮิมไว้แล้วก็เดินออกไปนะครับอิบราฮิมอยู่คนเดียวก็รอกฟาโรอกอีลาอาลีฮาติฮิมไปที่เจเวิตของพวกเขา ฟาก็จะพอไปถึงก็ไปพูดเพราะว่าเห็นเห็นได้เห็นอาหารเห็นน้ำที่เอาไปวางไว้วางไว้ทำอะไรอ่ะนะไปเส้นใช่ไหมปัจจุบันนี้มีใช่ไหมมานี่เอาแค่นี้พอแนละแล้วก็ไอ้ถ่ายทอดกันมาถึงปัจจุบันนี้กี่กี่พันปีมาละ เอาอาหารถึงนบีมุฮัมมัดเลยสั่งว่าอาหารที่ผ่านผ่านอนะไานเจเวดผ่านเส้นเนี่ยเอาไปไว้ให้เจเวทต่างๆเนี่ยเอาไว้ชมวงสอวชมงหรือวันสองวันก็ตามจะเป็นผลไม้ ก, ก็ดีอาหารก็ดีห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาต่อร้อยนี่เอามาบริโภคเอามากินชัดเจนพียแค่นี้พอนะ แต่เยอะไม่ได้นะครับฟรารออีลาลีฮาตีฮิมและเขาอิบรฮอฮีมก็แอบไปอ่ามีแอ บ, บด้วยนะรอก็แปลว่าแอ บ, บไปนะแอบบไปไปแบบเปิดเผยไม่ได้ต้องไปแบบย่องย่องแอ บ, บไปพอจะไปทําความไม่ดีเนี่ยไปทําความไม่ดีจะสายตาคนกาเฟสนะจะสายตาของอัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีโอแอบบไปที่ไหนครับ อลีฮะตีหิมเจ้าเบ็ดต่างๆของพวกเขาฟาก็แล้วก็พูดในตัปซีอธิบายนะพูดอย่างเยอะเยยอเลตกูลูนพวกแกทําไมไม่กินอาหาร ที่วางอยู่ข้างหน้าทำไมไม่กินแล้วก็ น, น้ำที่เอามาถวายเนี่ยทำไมไม่กินคุยกับใครนะจเจวิตถ้าเรามองด้วยเองเป็นคนบ้าหรือเปล่าในสายตานะแต่แตะแค่นี้พอทำไมเอาล้อเล่าอ่ะเรื่องนบีบรอฮีพูดกับจเจวิตเห็นอาหารวางอยู่ที่มาที่มาถวายไม่ได้ยุบเลยสักนิดหนึ่ง อิบราฮิมเล่าอิบราฮิมถามอัลลอฮ์เล่าคําพูดของอิบรอฮิมให้นบีมุมฮัมมัดฟังเห็นยังครับนบีก็คล้ายๆกันใช่ไหมละ่ะเห็นจเจวิอยู่ในกาบาเท่าไรสามร้อยหกสิบเจวิตก็เห็นหมดน่นะแต่เอไอไอเจเวิตเหล่านี้น่ะมันมีในสมัยนบีมุฮัมมัดหรือหรอือไม่ใช่ตั้งสมัยใครอิบรอฮีมแล้ว อิบราฮิมเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นแรงอะ <c oughs> ก็เลยสั่งนบีมุฮัมมัดเบาๆเล่นเบาๆหน่อยไม่มีในคัมภีร์เราแต่จากความรู้สึกส่วนตัวนะอิบราฮิมเล่นแรงอต่อมาครับอละลาตะกูลุนทาไมไม่กินอ่าทำไมไม่กิ น, อ, ไมไมกนอาหารที่ชาวบ้านเอามาถวายบ้างหรืออภาษาอูดูว่าตุม้ม คาเตกิลนะฮทำไมไม่กินพี่น้องครับคำว่าอล า, าตะกลุลในคัมภีร์ุณอ่านในอยายะอื่นอธิบายอย่างนี้นบีอิบราฮีมเนี่ยมีแขกมาที่บ้านมีแขกมาที่บ้านเป็นการต้อนรับแขกครั้งแรกของโลกพูดไปเต็มปากเลยนะครับ บรหิมเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านแล้วมีแขกมาแล้วแขกคนนีนะ้เป็นมาลายิกนานบีฮิมไม่รู้ก็แต่งตัวธรรมดามามาส่งหลงสลามกเข้ามาในบ้านท่านก็ฟา ร, รก์กอีลาอาหริช่ยรอก็เหมือนกันแอบเข้าไปในครัวแล้วก็ไปย่างแพะที่ย่างอยู่แล้วเนี่ยเอาออกมาวางไว้ต้อนรับแขกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นมาลายิกา ก็เ อ, เอาเอาอาหารมาวางคํานี้เป็นคําเตือนพวกเราวันนี้ว่าเวลาแขกมาบ้านนี้ ต, ต้องต้อนรับแขกด้วยมารยาทที่ดีงามที่สุดมีน้ำก็เอาน้ํามามีอาหารเอาอาหารมานะครับก็ใช้รอก็เหมือนกันฟาโรกอิลล์อาลีฮีฟาจ้าเบงอเจลินซามินและเขาทิบรหีบก็กลับเข้าไปในครัวแล้วก็นําลูกวัวที่ย่าง ออกมาต้อนรับแขกคือมาลาอิกะซึ่งอิบราฮิมไม่รู้พระเศแล้วมานั่งอยู่สักพักหนึ่งแขกไม่ยอมกินก็ใช้ภาษานี่แหละฝากอ็ล่ะลาตะกูลูทําไมไม่กินอลาตะทําไมไม่ลองชิมนะเจหน้ที่ น, น, นั้นอัละมาก็แนะนำว่าเวลาแขกมาบ้านเนี่ยนะ ให้เอารูปแบบของนบีอิบราฮิมเยไปใชั <c oughs> ท่านต้อนรับแขกด้วยอะไรนะ <c oughs> ด้วยอาหารแพะย่างเลยแกะย่างแพะย่างแล้วก็น้ำเอามาต้อนรับแขกวันละแขกไม่กินวัลนละเชิญให้พูดอย่างนี้ทําไมไม่กินทําไมไม่ทานแบบอิบราฮิมถามมลายกิกาว่าทําไมไม่กินกลัวอะพอรู้ว่าแสดงตัวว่าเป็นมลายกิก า, อ, าอ๋อว่ากัด แตนั่นต้องการจะอธิบายว่าการต้อนรับแขกเป็นศาสนาแล้วคนที่ต้อนรับแขกคนแรกคือนบีครับนบีละก็น บ, นบีอิบรอฮิมมลลาฮิสลามแล้วแขกที่มาในบ้านท่นานมันจะคนธรรมดาเป็นอะไรครับเป็นมาลายิกะผมก็นำเรื่องนี้มาประชาส่วนตัวผมนะเวลาคนมาขอเงินเนี่ยผมนึกปเป็นมลายิกะทุกทีนะ เราก็รู้เนี่ยคนรู้จักกันผมก็นึกก็เพราะว่าวันนี้เหตุการณ์ในอดีตน่ยเดินเข้ามาหาน บ, บีน บ, บีนั่งอยู่นะชาวบ้านนั่งกันเต็มเต็มมัสยิดนะมีคนเดินมาหาน บ, บีเดินปับปับปรบเข้ามาแต่งตัวสะอาดมานั่งทิดเกิร น, น บ, บีชาบ้านเรีวยกว่าชาบา้านที่ไหนได้ไม่ใช่อ่ะแต่งตัวเหมือนชาบะานอีกคนหนึ่งนะ่ะคือมาเลย์กา มันั่งมาถามว่ามันอิสลามมาถามนาบีมัน อ, อ, อิมานคืออะไรอิสลามคืออะไรวันเกี่ยมัดมาเ ม, มื่อไรผมก็เอาเรื่องนี้มาใชาชีวิตกับผมเองเวลาแขกมาบ้านเนี่ยมันแข ก, กขที่มาเลกาคะแนนมาทดสอว่าวใจเรานี่ยมาขอนนอนขอนี้ขอนี้ขอนั่นนะถ้าไม่มีอิมานแล้วก็แล้วก็ไล่ะนะไ ป, ไปไปไปพอนึกถึงอิมานนึกถึงศาสนาว่ามารยาทบางคน ต, งต้องต้องพูดจาดีอ่ะ ทำาไม่มีบอกไม่มีผมนึกทุกทีอนะจาน ก, การเวลาแขกมาขอมาขออะไรกันนึกทอาทดสนว่พอใจเราหรือเปล่าเนี่ยเองพูดสาธานมากี่ปีแล้วทดลองดูมากอะใช่ไหมอันนี้เล่าเรื่องนอกนอกรายการเอาต่อมาครับพอนบีบรหีมถามนะถามว่าทาไมไอ้จเจวีตทำไมไม่กินเนี่ย ท่านก็ถามต่อไปอีกรอเล่าอีกนะมาลกุมลาตัมติกูณมาลกุมลาตัมติกูณมาลกุมลาตัมติกูณตัณฑติณนะตอก็อยังปุวาพูดพูดเป็นอะไรไปเล่าที่พวกเขาไม่พูดสักคําถามจะเวิต อาหารก็วางอยู่ข้างหน้า <c oughs> น้ําก็วางอยู่จะเอามาถวายเนี่ยไม่ยอมกินถามแล้วทําไมไม่พูดทาไมไม่ตอบสักคำหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮามัดฟังเห็นยังครับเรื่องละเอียดเลยเล่าเรื่องอย่างนี้เรื่องละเอีย ด, เ, เ, ย ด, เ, เ, ยดเพื่อให้เราได้ใช้ปัญญาเนี่ยมนุษย์ต้องใช้ปัญญาที่ท่านไปกราบกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งก็จะเห็นโอ้โหอะไรมันผิดอะไรถูกเพราะอัลลอฮ์ให้ปัญญามาเนี่ย เอาไปใช้ยอย่างอื่นหมดเลยไม่ได้ใช้ในเรื่องนี้ที่ให้ตัวเองรอดจากการลงโทษที่กูบบเนี่ยไม่ยอมใช้ใช้ในเรื่องหาเงินหาเงิ น, ห า, งนหาชื่อเสียงหาตำแหน่งหาเกียรติใกระทรวงสภาอะไรใช่มคิดแต่เรื่องรุ่นยามหมดเลยเนี่ยนี่คิดเรื่องอัคร ด, ดีได้ไหมดีอัลลอฮฺฮุอะบดุลลงามครับมาละกุมละตัมติกูน เป็นอะไรไปเล่าที่พวกเขาไม่พูดสักคำหนึง่งนี่พูดกับใครนะพูดกับจ เ, เวติตเอาต่อมาครับพอพูดแล้วมันไม่ต่อเงี้ยฟาโร่ก็อะไรฮิมดอรอแบมบิลยาเมินฟาโร่ก็เนี่ยแปลว่า ก็แอบไปน่ะแล้วน ะ, อะรอรออะไรฮิมเมื่ออิบรอฮิมหันมาอีกทีหนึ่งหันมาที่ไหนนะหันมาที่เจเวิตาสิหันมาทำไมได้ไหมมาตีดอตบันดวติหันมาพระ ก, ก็ามาตีหลังจะถามว่าทำไมไม่กินแล้วก็ไม่ตอบสักคำหนึ่งก็เลย หันมาตีดรตบนบินบยามีนด้วยมือขวาทำไมเอาล้อเล่าด้วยทาไมตีด้วยมือขวาทาของไม่ดีมันน่าจะตีด้วยมืออะไรมือซ้ายเข้าห้องน้ำมือซ้ายหยิบหยิบขยะมือซ้ายแต่ตีจเวตของดีเลยไม่ดี เขาไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้ามันน่าจะใช้มือท้ายแต่ตรงนี้ตองการจะอธิบายว่าตีด้วยความแรงกาตีครั้งเดียวนี่ให้มันกระจายไปเลยเอาร้อนเล่าให้นบีอุ ม, มัดฟังท่านอุลมามะก็เอาคาว่ญยามีนน่ะมือขวาเนี่ยตีด้วยมือขวานี่ตองการจะอธิบายว่าตีด้วยความแรงเพื่อให้มัน แตกเลยข้นเดียวแตกแตกเลยลเลอเลมา่าอธิบายต่อมาว่าน บ, บีทุกคนเนี่ยนะร่างเนี่ยใหญ่แล้วก็พลังภนาะวะกําลังเนี่แข็งแรงทุกคนน บ, บีทุกคนที่อัลลอฮ์ส่งมานะครับถ้าน บ, บีป่วยก็ป่วยจริงๆเลยนะพอหายป่วยแล้วแข็งแรงหมดเลยครับถ้าไอ้ความแข็งแรงเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะไม่ใช่มาเองนะท่านเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะอัลลอฮ์ที่จะมวีวังชาแข็งแรงลุกขึ้นมาต่เขา ทัดหยุดได้ขับรถไปเที่เขายอเที่ยงได้เนี่ยอัลลอฮ์ให้นะอยากให้พ่าฉันแน่ฉันแน่ฉันแน่ไม่ใช่เนี่ยอัลลอฮ์ให้ฉานั้นอัลลอฮ์เนี่ยเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังว่านบีอิบรอฮีมนั่นน่ะขนาดเอาไม้เนี่ยพ่อจะบอกว่าอะไรนะเอาขวานเนี่ยนะไปตีอะไรนะไปตีเจเวทนี่นะพังนี่น่ะแตกนี่นะบิลยามีนตีด้วยมือขวาต้องการจะอธิบายว่ามือขวาก็คือตีด้วยความ มั่นใจแล้วก็ตีด้วยแรงที่พลังที่เราล่อให้แล้วก็ต้องการจะอธิบายว่านาบีทุกคนที่มาในโลกนี้กําลังวังชาแข็งแรงทุกคนนบีมูซาเนี่ยแข็งเลยไม่แข็งที่เขาปิดปิดถังน้ําใช่ไหมไม่ใช่ถังน้ําดิอะไรนะเอ่บอบ่อน้อําอ่ะใช่ไหมน่ะยกคนเดียวอะ่ะบอ่อน้อําะยกฝาออกเนี่ยเราก็ตักน้ํา ให้ลูกสาวนาบีช่วยสองคนไดมาที่เอาที่เอาแพะมันมาเลี้ยงเนี่ยคนเดียวยกไม่ไหวนะคนธรรมดาตองชายสองสามคนน่ะแต่นบีมูซายกคนเดียวแสดงว่าอลัลลอฮ์ร่างกายแข็งแรงทุกนบีที่อลัลลอฮ์ให้มาน่ยแข็งแรงหมดเลยครับจะใครได้ป่วยกันไม่เคยมีถ้าป่วยก็ป่วยหนักเหมือนกันน่ะอย่างนาบีป่วยที่นั่นหกเดือนน่ะนี่ทั้งหมดแล้วนี่ที่เตือนพวกเรานะให้นึกถึงอลัลลอฮ์ การเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาจากอัลลอ์แข็งแรงก็มาจากอัลลอฮ์พี่น้องเอาต่อมาครับฟราวุอลไยฮิมดรบัมบิลยามีนแล้วอิบราฮีมก็หันมาตีพวกมันด้วยมือขวาคือตีอย่างแรงอัลลอฮ์นะครับต้องการจะอธิบายว่ามือขวาก็คือแข็งแรง แล้วก็ตีอย่างแรงพราะการตีแรงๆเนี่ยเอาล้อมองหมดเลยหมดเลยนะตีลูกนะตีแรงๆหรือตีเบาๆเอาๆๆเอาเอตีค่อยๆตีเบาๆเพราะน บ, บีศอนอะ่ะยกสูงๆดันลงเบาๆนี่น บ, บีสอนอะ่ะอย่าลืมว่าทุกทุกอิริยาบถ ท, ทุก acting ทุกการเคลื่อนไหวนเนี่ยเอาล้อมองตลอดเวลาเนี่ยอยู่ก็ยังไงเนี่ย ห้ามตบหน้าภรรยาห้ามตบหน้าลูกห้ามเตะลูกห้ามเตะห้ามเตะหมดอ่ะยิ่งใบหน้าน่ยต้องเลียๆเลียกๆ ย, ย, ย, ยัเป็นศาสนาทั้งหมดเลยชีวิตเราเนี่ยทุกวินาทีจะทำอะไรเป็นศาสนาหมดเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ส ง, าง่างามไ้ยอยู่บนโลกดูยาไป น, นี่อัลลอฮ์อักบาร์นี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องแอคติ้งของนบีมูซาแลนบีอิบราฮีมให้นบีมุฮัมมัดฟัง แล้อุลมามะมาอธิบายต่ออีกอัลลอฮ์คำว่ายาม่อธิบายยังไง Allah, อัลลอฮ์อัลกุบะดอะต่อมาครับฟราร์กว่าไลฮิมดารบัมบิลยาเม่และขาวอิบรอฮิมก็หันมาตีพวกมันจะเวดด้วยมือขวาคือตีอย่างแรง Allahu อัลลอฮ์อัลกุบะด์คำว่ามือขวาอธิบายอย่างนี้อ่าในตัปเสะอธิบายต่อนะ มันมีซ้ายกับขวาขวากับซ้ายอัลล์เล่ามุมิมจะอยู่บนโลกดุนยาไปเนียเวลาเจอภาษารืมยามีนมือขวากับมือซ้ายต้องนึกเยอะนะมือซ้ายเอาไว้ทาแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีมือขวาทาแต่เรื่องดีดีในสมัย น, นบีสะบาจากสะบาเราีะเรียนมาแล้ววันนะสุรสสะบาเนี่ย ในสมัยนบีสุลมานเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเมืองซาบะเนี่ยเมือนเมืองเยเมนปัจจุบันเนี่ยเยเมนปัจจุบันนี่นะเคยเป็นเมืองซาบะมาก่อนแล้วก็ที่นั่นอัลลอฮ์ให้คนในยุคนั้นชอบเดินทางอ่ะเดินทางการเดินทางเป็นเป็นอิบาดะเลยนะเดินทางเดินทางเดินทางเดินทางเดินั้นรถไม่มีอ่ะเดินแบบเดินนี่นะเดินทางเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องพาซาเบียง ไม่ต้องพาอาหารไม่ต้องพาเป็นโตระหว่างทางมีอาหารเตรียมมาหมดเลยเอาล็อจัดเอาไว้นะ่ะมีน้ามีที่นอนมีสเสบียงบริบริหารอย่างมีบริการอย่างดีออกจากบ้านเขาออกกันหมดอะแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยทั้งข้างขวาและข้างซ้ายอ่ายันนาตานี่มินยามีนินวาสิวาสิมาลินมีสวนนะครับมีทั้งขวามือแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยสงบ แต่ Dad, ไม่มีไม่เด็กเห็นแดดเท่าไรแล้วนานจะเจอแดดสักทีหนึ่งอให้ชาวโลกเขาอยู่กันแบบสบาสบ า, บาที่เมืองสบะคนเหล่านั้นเบื่ออัลลอฮฺจ้ฉันไม่อยากได้มีต้นไม้เต็มไปหมดเดินไปนิดหนึ่งก็เจอต้นไม้แต่มีแดดเล็กๆน้อยๆอยากได้แดดเยอะๆฉันไม่อยากอยู่ที่เราอ่านกันมาแล้วเรียนมาแล้วใช่ไหมล่ะอัลลอฮฺก็ให้อ่ะ ยังไม่ได้ขอบคุณอลัลลอฮ์เลยนะ่ะเนี่ยล้อเล่านะฉันให้คุณนะอยู่สบายนะมีต้นไม้เต็มไปหมดทางซ้ายทางขวาเดินทางไม่ต้องพาอะไรนะเสื้อผ้าไม่ต้องพาอาหารของกินอยู่ตามทางเต็มไปหมดเลยเอลัลลอฮ์ให้ด้วยขนาดนี้ไม่ขอบคุณอลัลลอฮ์ยังพูดว่าฉันเบื่อขอกันอลัออลลอฮ์จ๋าอลลจ๋ อัลลอฮ์สั่งให้ทำโน้ kul, ท מן, นทํานี่ให้สุญูดสักนิดเดียมันก็ไม่สุญูดนะให้นู่นให้นี้มาทรยศต่ออัลลอฮ์อ <closest S 1> <ๆ>ัลลอฮ์ก็เลยให้ภูเขามันมีอยู่เนี่ยมาที่เขื่อนกักน้ำอะไรเขื่อนน่นเขื่อนเขื่อนเขื่อนอารอมไออารมม์กักให้เขื่อนลงมาเนี่ยพังลงมาน้ําเนี่ยทําลายหมดเลยต้นม้ต้นไม้เนี่ยเหลือแต่ต้นไม้แตงแกนไม่ไม่ไม่กี่ต้นกลายเป็นทะเลทรายป<ๆ>ัจจุบ <einmal> <ๆ>ันนซีเมน เพว่าพี่น้องยุค ก, ก่อนเนี่ยทรยต์ต่อคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาหูอะไรเนี่ยลอล่างห้เาอย่าหัดฟังเข้าใหมเพื่อต้องการจะบอกเราวันนี้ก็เหมือนกันรเราในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่จเจริญที่สุดในโลกใช่ไหมล่ะอัลลอฮฺสั่งให้ทําความดีทํำยังทํำยังอัลลอฮฺให้ตุลมามีใช่ไหมห่างห่างหาง่หากัเมื่อก่อนเคยเต็มมากกว่านี้นะไม่พอใจอยากได้ห่างหาง ให้ห่างมาแล้วเป็นไงวันนี้เราเองก็ไม่พอใจแล้วอยากได้จิตชิดใช่ไหมล่ะตาตุ่นมา ก, กันวันนี้ใช่ไหมพวกนั้นเลยพวกเจ้าพ่อเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะพวกในตัวในทุนเนี่ยโปองปานโะค่นกันหมดเลยเพราะอะไรอะ่ะ ก, ก, ก็ใช้ปัญญาคิดเองกันวันละกันว่าฆ่าใครทําลายทรัพยากรที่อยู่บนโลกนี้นะไม่จะกล่าวถึงรัสมีคำระวังเราจะลงโทษหมดวันนี้เราประวิงเวลา ที่อัลลอฮฺบ่าวิงไม่ให้โลกใบนี้หมดอายุเพราะพวกมุสลินที่ขอดุอาวต่อรอดที่สุยูต่ออัลลอฮฺวันนี้ต่างหากที่เราเดินทางไปทําอมรอดทำฮ ا ญิที่เดินต่อว่าบแล้วขออุดาวต่อรอดอัลลอฮุมักฟิลีวันนี้ไม่ได้ไปแล้วก็อัลลอฮุมักฟิลีอัลลอฮฺจ๋าพยยโทษฉันด้วยพยุงโลกใบนี้มาให้มันวิบัติมากกว่านี้เพราะดูอาของผู้ศรัทธาต่อะอดทั่วโลก คนคาเฟ่ต้องนึกถึ ง, ถงเราเยอะนไม่ใช่แค่มะนังดาลนะมุสลิมจะคลองโลกใครอะเชื่ออะไรนะ่ะเพชรเพชรอะไรเพชรไออะไรไอเพชรทองอะไรเนี่ยนั่นดา น, ะ, นะเห็นมุสลิเราทําประธาตวิจารณนี่ยัง อ, อ, งอ่ะหล่อมากบัก็สร้างมาตั้งสองสมร้อยปีจะมาทำวิจารณสภาวิจารณโอเคแต่งที่เดียวกันเมืองเอาต่อมาครับ ตัวหลวงว่าพอพูดถึงเรื่องมือขวากับมือซ้ายต้องนึกนะมือขวาอาไปทําอะไรมือซ้ายทําอะไรนะต้องนึกนะเพราะว่าอัลลอฮฺเล่าเรื่องย่ามีนมือขวาเนี่ยนบีอิบราฮิมเอามือขวาเนี่ยทำลาจเวตมาแล้วนะครับแต่เราวันนี้อย่าไปทําลาจขนาดนั้นเลยให้หัวใจเราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮฺให้มั่นก็แล้วกันนะอี่ชอบเราเอาต่อมาครับอายาที่94 ฟาอัคบัลูอิลัยฮิยาซิฟู ب ฟาอัคบัลูอิลัยี่ท่านคุอ่านแต่ละคำอย่างที่ อ, ลอัลลอฮ์ก็เอาศัพท์ใหม่ๆ ม, มาใชา้นะอัคบัลูนแปลว่ากลับมาแปลว่ากลับกลับจาก ไปเที่องงานมาสิแล้วล้เล่าเลยนะพอญาติพี่น้องเขากลับมานี่ยนะอิไรฮีกลับมาหาอิบราฮิมกลับมาแบบไหนยอยู่ไหมยาซิฟูลรีบกลับรีบมาเลยคาว่ายาซิฟูลแปลว่ารีบมีอยู่คําเดียวในคัมภีรุารานมีอยู่คําเดียวในคัมภีรุารานยาซิฟูลยาซิฟูลแปลว่ารีบกลับ มีอยู่คำเดียวผบเช็คคุอานมีอยู่คำเดียวจริงๆเลยพี่น้องอลเล่าเล่าว่าคนเหล่านี้ไปเข้าไปมีงานในเมืองนอกเมืองนะพอรู้ข่าวว่าจเวทถูกถูกอะไรนะถูกฟันหมดแล้วเนี่ยก็รีบกลับมาที่หายบรอฮีมเลยพอรู้ข่าวข่าวมันก็มานะ เขาว่าข่าวไี่วมีสองอย่างนะ ข, ข, ข่าวข่าวเฟกนิวกับข่าวอะไรนะกับข่าวจริงๆริงพอได้ยินข่าวว่าชาเวีดแตกหมดแล้วก็รีบมาหาใครนะไม่รออีมก่อนเลยพี่น้องนี่เอาลอดเล่าให้นบีพระมหาฟังอ่าจะท่า น, นคนที่เป็นมุมลินเนี่ยถูกถูกอย่างงี้แหละอ่าเองไปพูดอะไรไว้ที่ไหนเนี่ยหมยูเช็คมันเลยนะ ก็จะกลับมาเล่นงานนบีอิบราฮีมฝาอบลูอิไลฮิยซิฟูเมื่อชาวเมืองรู้ข่าวว่าเจวิตที่พวกเขาบูชาอยู่เนี่ยแตกหมดแล้วพวกเขาก็รีบเร่งมาหานบีอิบราฮีมอะลัยฮิสสลามในทัพซึอธิบายบอกว่ามันจะมาธรรมดานะมาแล้วก็ตะโกนกันมาเนี่ยไอ้ฮี คนจะไม่งอมนี่วันนะ่ะมึงทําอะไรไว้โอค้คนจะเรียกมาเรียกนี่เลยนะจะได้อาการมุมินกับคนกาเฟสนี่น ะ, สะแสดงอาการไม่เหมือนกันนะคนมุมินนี่ไปน้อนจะโมโหแค่ไหนก็ตามเขาจะสํารวมตนตลอดเวลาแต่คนกาเฟสนี่ไปน้อนกับระมุชริกทั่วไปนะคนแข่งด้วยเหมือนกันถ้าศาสนาไม่เรียนนี่นะเวลาไม่พอใจจะใช้เสียงอะไร เสียงดังเต้นแรงเต้นกะอย่าแสดงนะก็จะเตือนพวกเราที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยอย่าทะเลาะ ก, กับภรรยานะอย่าแสดงอาการฉันใหญ่ฉันแน่ถือนู่นถือนี่จะตบเมียบ้างตบลูกว่าอย่าแสดงนะถ้าแสดงนะแสดงแบบคนกาเฟสพอรู้ว่าจะเวทถูกอะไรนะถูกทำลายนี่ยจะ บ, บ ก็มาแบบตะโกนเสียงดังถือไม้ถือมากก็มาจะมาตีรออีกเรานั่นลักษณะของคกนกาเฟสเวลาโมโหสแสดงอาการอย่าทำแบบนบีสอิอยู่แบบนบีมาหมาอัคลากแบบนี้ต้องนำเอามาใชานะ้นะนบีนี่ขนาดถู ก, จ, กจักใจ น, นะถูกจะจะจับตัวนะ่ะยังเดินออกจากบ้านกับไซนา ไุ่นากัอบูบกค่อยๆอ อ, ออกสบายๆไม่เห็นเลยแล้วก็ทำพิธีไหนก้มหยิบทรายแล้วก็คว้าไปอย่างนี้เลยอัลลอฮ์เอาทร า, ายเข้าตามหมดเลยนั่งขยี้ตันยี่สิบนาทีนบีไปแล้วอลัลลอฮ์คุ้มครองให้เราอีมานต่ อ, อล้อยจริงๆกันแล้วกันนะครับ <laughs> เอาต่อมาครับคำว่ายาซิฟูนี่แปลว่ายาสาวน่ะ ท่านอ oh ิบนออบดบอกว่ายากรูยูนะวกเขาเรีบมายาอาดูนะรอดบันท่านญายาบอกว่าพูดเสียงดังเพราะพ่อโกรธอัลลอฮฺอัลลอฮฺบะฮาอุลิลาฮิมิอลิขบความมาถึงครับกอละตาบูดูนามาตุนให้ตุนกอละใช่ปะไม่ใช่ใช่มอ่าใจใจอายะห์ที่95้าสห้า ก็ลอาต้บุูนามะตุนไฮตุนก็ลอาต้บุูนามะตุนมาตันไฮตุบอสิตุนนตันนามาต้าบุดูนามาตันไฮตุใช่ไหมอาต้บูนามะตันไฮตุแปลว่าอะไรครับก็ลอิบราฮิมกล่าว กล่าว่าพวกท่านต่าบูดูนแปลว่าพักดีหรือว่าเคารพพักดีไปกราบนะ่ยมาตันไหตูนที่พวกท่านแกะสลักกันนั่นหรือ ต, ตันไหตูนแปลว่าแกะสลักกันนั่นหรือคุณไปกราบสิ่งที่คุณแกะสลักด้วยมือของคุณกันนั้นหรือ ทำไมอลัลเล่าเรื่องนี้ให้นบีมุฮัมมัดฟังเรื่องของนบีอิบราฮีมนะปลอบใจนบีเหมือนกันเล่าละเอียดยิบเลยใช่ไหมอิบราฮีมถามว่าพวกท่านไปเคารพไปกราบสิ่งที่พวกคุณแกะมาด้วยมือของคุณทำไมอลัลนี่เป็นคนข้อเตือนใจดีดดดดดดดที่สุดทีนี้คาว่าตันไคตูระนัยความมีอยู่สามครั้ง ในคัมภีรคุอ่านคำว่าตันไฮตูนะพูดดูสามครั้งคนละคนละวระวระวระวรระที่สองเนี่ยพูดอย่างนี้เนื้อมาที่อัลลอ์ให้กับคนในพวกอะไรนะพวกไอ้นบีซอเลนะ่ะพวกฮูดศอเละพวกนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ความสามารถเนี่ยสามารถแกะภูเขาเป็นที่อยู่ได้ใช่ไหม แกะภูเขาอ่ะสลักภูเขาเป็นที่อยู่อยู่แบบสุขสบายเลยนะ่ะนี่เป็นเนี้อมาที่อลัลลอฮ์ให้กับคนในยุคนั้นอ่ะอัลลอฮ์เล่าให้นเบียบุมัดฟังคนในยุคนั้นเนี่ยทรยศ ต, ต่ออัลล์ขนาดไหนอะนะฉันให้ความสามารถให้แกะภูเขาสลักภูเขาเป็นที่อยู่อาศัยอยู่อย่างสบายไม่ใช่บ้านเล็กๆนะบ้านใหญ่ๆกันทั้งหมดเลยนะ แต่ลืมเนื้อหมัดอันนี้ถามว่าแกะทำไมก็สมองฉันเองอะความรู้ฉันเองอะที่แกะสลักเนี่ยไม่ใช่เอาลองอาลาอีไม่เกี่ยวเห็นยังทําไมอาลาอีเล่าเรื่องงี้ให้นบีฟังอะเพื่อให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้เราในยู่ในยุคที่ความรู้เนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วใช่ไหมเอาความรู้เนี่ยมามาใช้เออเนี่แกะสลักภูเขาเอาลาอีเขาทำกันมาแล้วในสมัยนูน้น แลเราวันนี้อลัลลอ์ให้พิเศษไเหมือนคนในยุคนู้นนะให้อะไรไ้ไหมให้อาคารสูงของเขาในแกะสลักอยู่สบายพระอยู่สบายเกินนึกกูไม่ตายแล้วเห็นไหมล่ะอูในเขาอย่างดีใช่ไหมอัลลอ์บอกว่ากูไม่ตายอ่ะอาหารจากูเขาเที่ยมเห็นอากาศเย็นน่ะตรงนี้ร้อนน่ะนี่เนื้อมัดน่ะผมไปวนนึกถูงที่อัลลอ์นขอบคุณอัลลอ์เนี่ยจากเมื่อวานเนี่ย กูไปนอนนู่นนะเมื่อคืนน่ะขึ้นวานเน้เลยอากัดน้ำเย็นน่ะไม่ถึงอิเดียเลยข้อคุณเรารอจะเอารอให้เราอยู่กรุงเทพ ม, มันร้อนอยู่นู่นอยู่เที่ยงเราเปิดแอร์นอนใยอะมากอยู่นู่นปิดแอร์หมดเลยอ่ะแล้วก็นาตนุึงกัลร้อนนี่ถ้าไม่อ่านกูาอานจะนึกไหมไม่นึกกูแน่กูเก่งกูเปลี่ยนที่ได้กูมีรถขับเองมาหาอากาศตรงไหนก็ได้แต่เราไม่นึกเรานึก์คตรงกันข้าม อัลลอฮ์ให้เรามีความสามารถมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะมาอยู่ตรงนี้มีคนต้อนรับอัลลอฮ์ให้นะเรามีคนสลามอัลลอฮ์ให้นะมีคนมาหาผมเขาพยายาเขาบอกอาจารย์มุตฟารมาเขาก็มองหาอยู่ห้องไหนห้องไหนเขาก็นั่งเลือกอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์อัลาอให้อ่ะเขาก็มานั่งคุยอะไรตทารายเราฟังเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องในเขาจะเที่ยงนะเราก็นับฟังมีอยากเล่ามีอะไรบ้างแต่ปรนเดียว อัลฮัมดุลิลลาต่อมาครับทีนี้คําว่าตันไฮตูเนี่ยเจาะภูเขานสมัยอีกอีกายหนึ่ง อ, อ, อ, อ, อธิบายว่าแกะสลักทําเป็นเจเว็ดบาปหรือไม่บาปบาปครับและคนที่ทําใครรู้มั้พ่อของนาบีอิบรอฮีมเองอแกะแกะนั้นนะแกะเจเว็ดนทําสลักแกะสลักขายเจเว็ดด้วย ก็อยู่รีสกีของอลัลลอฮ์แบบนี้เป็นริสกีที่ฮาลาลหรือเปล่าไม่ฮาลาลแต่เอา้าในเมื่อเขาจะเอาแบบนี้อลัลลอ์ก็ให้อ่ะให้มเลยให้ใช้ตอนมาอยู่เลยเทำกันไปเลยไปนอกแต่ตันไฮตูนอีกอีกอายาหนึ่งตองการจะอธิบายว่าอาลัลลอฮ์ให้ความสามารถเป็นเนอมัดที่ให้แก่ภูเขาทำเป็นบ้านแต่พวกนี้ลืมอลัลลอฮ์หมดเลยพวกเราวันนี้ในยุค ข, ของนบีหมัด น, นบีขอนบีพูดไงนะ เครื่องหมายวันเกียมะมาในยุค ข, ของนบีก็คือยาตอตอวาลูนะฟิลบุญญายุคนุ้นสลักวูเขายุคนี้ให้อาคารสูงขึ้นเป็นเท่าไรร้อยชั้นมีสองร้อยอย่างดูใบเท่าไหร่ร้อยกว่านะสูงที่สุดในโลกใช่ไหมะละ่ะที่ทาท่าจะมีใหม่อีกแล้วโลกอะดับนั่นแหละรลกวกนนึกทุกทีนะ <c oughs> เป็นห่วง <c oughs> แ่อเก็ยะอย่างก็ช่วยๆเตือนกันแล้วทำตัลลวาตันไฮตนจิบนนบยตอินออย่างนี้เาต่อมาครับอายที่ใด96วะลฮาลกกุมวะมาตมมลนวลฮลกกุมวะมาตัมมัลนทั้งๆที่อัลล์นี่นะ ได้ทรงสร้างพวกท่านนี่ไงอัลลอฮ์ เ, เล่าให้ฟังแล้วสร้างคนในยุคก่อนมานี่ยนะสร้างนาบีอาดัมมาสร้างมาจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่มาจากใครทั้งนั้นแอัลลอฮ์สร้างมาที่เตือนสติเตือนนบีเตือนพวกเราวันนี้อัลลอฮ์เนี่ยสร้างพวกท่านทั้งหลายมาว่ามาตามาลูและที่พวกท่านทําอัลลอฮ์ก็ให้เองอ่ะเอาอะไรบเจาเวทเนี่ย แล้วก็ให้คุณคิดนะถามว่าอย่างนี้นะคิดถูกหรือคิดผิดคิดผิดถ้าคิดถูกก็ส่งมาัยก้ามาช่วยถ้าคิดผิดส่งใครมาช่วยส่งชายตอนเห็นอย่างครับมันงานของอัลลอฮฺทั้งหมดเองจะทําอะไรก็ตามทําความดีมีมาัยก้าช่วยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺถ้าทําไม่ดีอัลลอฮฺก็ส่งคู่มาช่วยเหมือนกันส่งใครมา สรงไชตอนมาช่วยงาให้คิดนนคิดเนี่เรื่องไม่ดีหมดเลยเห็นไหมแอนตี้อิสลามเนี่ยทํามาจากวางแผนฆ่าอุลมามะฆ่าอาเลบอุลมามะในโลกคิดแบบนี้นะวางแผนฆ่าเนี่ยมาเลยก้ามาไหมไม่มาอาลัลลอฮ์ส่งใครว่าทรงไชตอนมาเอาวางแผนฆ่าอุลมามะคนนั้นโตคนนี้คน โ, โลทาลายคนนั้นนั่นไชตอนหมดเลยแล้วอรู้หรือไม่รู้รู้ อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวัลลหุข้าละกอกุมทั้งๆที่อัลลอห์นี่นะได้ทรงสร้างพวกท่านวะมาตามาลูละที่พวกท่านทำขึ้นอัต่อมาอาย่าที่97นะครับโกลูเบนูและหุบุญยานา ฟลลาลควูห์ฟ ل ลเจฮิมกาลบ ن นูเลห์บุญยานาฟาลควูห ح ฟิลเจฮิมอัลลอฮฺอัลลอฮเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนะเรื่องของนบีอิบราฮิมเมื่อไปทำลายเจเวตแล้วญาติพี่น้องเข้ามาเห็นเขาก็เสียใจกันนะนะ แล้วก็ต้องการที่จะแก้แค้นะอะไร่ิไอการแก้แค้นนบีเนี่ยโอ้เรื่องเรื่องใหญ่น่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยเห็นไหมงานงานงานเบาหรืองานหนักงานหนักมากกรับมาทำงานศาสนาแก้แค่ยังไงครับฟะกอรูพวกเขามาันจงพวกหัวหน้าพวกชาวเมืองเนี่ยปรึกษากันรวมทั้งพ่อตัวเองด้วย อับอิบนูลาหูจงสร้างอาคารขึ้นหลังหนึ่งจงสร้างอาคารขึ้นหลังหนึ่งเพื่อเพืจะแก้แค้นแล้วสิแล้วก็ฟาลกูหูฟิลยาหิมแล้วก็จงจับอิบราฮิมเนี่ยโยนอัลกูแปลว่าจับโยนฟิลยาหิมในไฟขึ้ลูกจ้า เนี่อเราเล่าสรุปสรุปเพื่อให้เราได้อธิบายไงสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วก็จับอิบรอหีมโยนใส่ไฟคําว่าบุญญาไป้ว่าอาคารเนี่ยมีสองความหมายความหมายหนึ่งก็คือสร้างอาคารให้สูงจะได้โยนอิบรอหิมจากอาคารนั้นลงมาที่ไฟมนันง่ายดีไง ความคิดเขาแค่นั้นอ่าเหตงการจะเล่าว่าความคิดของคนยุคนั้นก็นได้แค่นี้แหละใช่ไหมล่ะสร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็จับรถหิ้งขึ้นไปข้างบนใช่ไหมล่ะแล้วก็โยนลงมาที่กองไฟแล้วอีกอันหนึ่งก็บอกว่าบุญญานั้นหมายถึงทําเป็นกองเพลิงเลยมันไม่จะสร้างอาคารทําเป็นกองเพลิงเลยอันนั้วมีคนสมงมีสองความหมายถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือ ผมก็สร้างอาคารสูงๆนั้นก็โยนลงมาสมจะเข้าใจง่ายกว่านนะ่ะทีนี้นไอ้ไฟเนี่ยไป น, น้องครับหาฟืนนะ่ะ้ความคิดของคนรู้รู่ก่อนนี่นะหาฟืนไปเก็บฟืนมาเนะี่ยและนายจับเสียอธิบายบอว่าขณะที่ไฟกำลังลุกอยู่นี่นะมีสัตว์ทุกๆชนิดบนโลกนี่นะช่วยกันดับไฟอันนั้นนะ แต่นี่อยู่อะไรเนี่ยอะไรนั่นจิ้งนะจริงจกจิงโศกจริงกจงกประเภทเดียวในที่มันช่วยเป่าให้ไฟไลกุกสัตว์ประเภทอื่นนอะช่วยดับหมดพระสงสารอิบราฮิมแต่จริงจกเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่เป่าให้ไฟไลกุลกให้ลกุลกให้ลกุกใครแล้วกคุจะมากันเยอะนะั่นนะ นี่อัลมะก็แนะนำฉะนั้นวันวันนี้วันวนอย่างเนี้ยในในสุนนะของท่านอนับดุลบาตเนี่ยจริงจกเนี่ยเราก็พยายามไล่ออกไปจากบ้านซะเพราะว่าอัลละหก็แนะนำว่าเพราะว่าเป็นช่วยช่วยเป่าไฟของน้องที่มรอยยไปลรุกทั้งหมดเป็นความรู้หมดเลยดีนะไมด่ดีฉะนั้นวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเบ น, นี้มันโยงกับนบีมหมดเลยนะโยงกับทุกโยงกับทุก ทุกนบีหมดเลยฉะนั้นเราถึงนบีกูรอ่านออกมาคนที่ฉลาดนะก็คือคนที่มองดูตัวเองแล้วก็จับไปโยงกับชีวิตของบรรดานาบีทั้งหมดคนฉลาดคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยไม่โยงกับใครเลยอ่ะไม่โยงกับอัลลอฮ์ไม่โยงกั บ, Allah, กบนบีโยงกับตชื่อเสยียงตําแหน่งเกียรติยศเงินไม่มีบราระกัดครับเราต้องโยงกับอัลลอฮ์ถึงจะมีบราระกัด ถ้าไปโยงกับเงินฉันสําเร็จได้เพราะเงินฉันสําเร็จได้เพราะฉันมีชื่อเสียงฉันสําเร็จได้เพราะฉันมีพวกไม่มีสําเร็จได้จริงแต่บรารักัดไม่มีมันแตกต่างกันนะถ้าเรานึกที่เราสําเร็จเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยบรารักัดชีวิตมันมีให้สําเร็จเหมือนกันไม่โยงกับ OW, อัลลอฮ์ก้สำเร็จแต่บรารักัดมีไหมไม่มีนี่มันแตกต่างกันนิดเดียวพี่น้องอสร้างบ้านหลังหนึ่งราคาสิบล้านเนี่ย ฉันหาเงินมาอาลัลลอฮ์ไม่เกี่ยวอ่ะบ้านเจร็จไหมบ้านสําเร็จแต่บ้านคุณไม่มีบราระกัดนะกับเราอีกคนหนึ่งลงทุนอสิบล้านเหมือนกันสร้างบ้านขอบคุณอลัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์ให้บ้านมาใช่ไหมสุดหยุด ต, ต่ออัลลอฮ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์บริจาคทําบุญดูแลงานสนลหรับบ้านท่านมีบราระกัดแต่อีกคนหนึ่งก็สร้างบ้านเหมือนกันแต่บราระกัดไม่มีรู้ได้ไงสังเกตนะทะลาะ ก, กันก็เก่งอ่ะ เด็ก็พาเบียรเข้าเหล่าพาเบียรมาที่บ้านพาผู้หญิงเข้าบ้านเอาผู้หญิงโสเภณีเข้าบ้านในสมัยนบีนะเขาทำกันหมดแล้วมีคนอาดับหลายคนนะพี่น้องไปตามประเทศเนี่ะไปพาผู้หญิงนักร้องเข้ามาเนี่ยเอามาร้องในบ้านเพราะบ้านเขาใหญ่งายแล้วตอนนบีก็สอนว่าเอากุรานเข้าบ้านก็เอผู้หญิงเข้าบ้านอันนั้นจะดีกว่ากัน เอาคัมภีรเข้าบ้านสิเอานามาเข้าบ้านสิเอาอุอาเข้าบ้านสิเอาตักวาถึงว่ามานามาถึงมัสยิดน่ะเอาของถึงมัสยิดเข้าบ้านด้วยแต่พี่พูดแค่นี้หละมันนั่งคิดดูคนโง่โง่ก็เยอะใช่ไหมเอาคัมภีร์จากสโเราเข้าบ้านดีกว่ามันไม่ใช่ของสุเราเอาออกไปไหนไม่ได้มันของมัสยิดเขา เอาออกต้องขออนุญาตอิหมามขออนุญาตกรรมการก่อนเนี่ยมากขอรับผิดชอบอยู่ใน่ยมากที่น บ, บีพูดแล้ ว, ว่าให้เอาของจากมสัสยิดเข้า่าหมายถึงว่าเวลามาฟังศาสนามาฟังคุณบ่าววันศุกร์หรือมาฟังตัมซีเอาความรู้ตรงนี้นะเป็นเล่าให้ภรรยาฟังที่บ้านไม่ใช่ขนวัตถุเข้ามาอาลัลลอฮฺในอิสลามสอนให้เราใช้ปัญญาตลอดเวลากับอัลลอฮฺเป็นนังก็หมดบทเวลาพอดีนะ ออกลับนูหูบุญยนาฟาลคูฟิบฮแต่พวกหัวหน้าชาวเมืองปรึกษากันว่าจงสร้างอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งบางท่านบอกว่าสร้างเตาเผาสำหรับอิบราฮีมแล้วโยนอิบราฮีมลงไปในไฟลุก ถามว่ามาไฟลุกแล้วจับโยนไปเนี่ยตายหรือไม่ตายอาทิตย์หน้าต่อตายไหมไม่ตายครับอัลลอฮฺสั่งให้ไฟเย็นเห็นยังพี่น้องอยู่กับอัลลอฮฺอัลลอฮฺคุมครองหมดขนาดไฟร้อนๆยังสั่งให้เย็นได้ถ้าจะให้อยู่บ้านสบายไม่ให้ทะเลาะกันอัลลอสั่งได้ไหมได้ดันใจโยงกับอัลลอฮฺเยอะๆพี่น้องนึกถึงนบีนะนะเวลาจะนึกอย่านึกถึงเงินชื่อเสียงตําแหน่ง เกจะเป็นนึกเยอะอันนี้อัลล์ให้ทางพานที่แน่ๆก็คือยึดอัลลอฮ์แล้วก็ยึดรูปแบบของบันดารบีทั้งหมดเนี่ยเอามาไว้ในชีวิตประจำวันกลาุมะบฮัมดิกะอัดุลลอฮิลลฮอิลลาออัสตรกวาตุบุอิลัยกัสลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลลอฮีวัสซาบิหีอัจมัยลฮัมดุลิลลาฮิรบบิอัลเมินมาในบ้าน